บทกล่าบพระรัตนตรัยอะระหังสัมมาสัมพุทธะพระขวาพุาพธทธังพระขวันตังอะภิวาเทมิสวาขาโตพระขวตาธรรมโมธรรมังนา ม, สามิสิโสปฏิปันโนพระขวตโตสาวกาสังโฆสังฆนา ม, ามิ